พู้ทั่วสวัสดีค่ะทุกผังที่เคารพค่ะรายการสันสนีสนทนาดิฉันสันสนีนนาคพง์เราก็มาพบกับท่านอีกแล้วนะคะในวันแรกของสัปดาห์และวันนี้ก็เป็นวันแรกของปีงบประมาณใหม่ในระบบราชการไทยด้วยก็คือวันที่หนึ่งตุลาคม2555ค่ะเมื่อวานนี้หลายท่านกา จ, จใจหายไปกับการเกษียณอายุราชการซึ่งรายการนี้ก็เคยพูดถึงแล้วความเปลีป่ยนแปลง เป็นนิรันนะคะแล้วก็รายการนี้จะมีในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงบ้างก็ในรายละเอียดของสาระนะคะแต่ว่าหลักใหญ่ๆเป็นพุทธวจนะสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ถ้าจะมีอะไรแปลกไปจากวันที่ผ่านมาหน่อยก็คือตอนต้นของรายการวันนี้เดียต้องขออนุญาตนะคะที่จะกราบน้ำมศการท่านอาจารย์ไผ่บูรณมาเป็นผู้เริ่มต้นรายการเลยเพราะว่า ยังไม่สะดวกนะคะที่จ ะ, ะนิมนต์ท่านมาร์คมาบันทึกรายการในช่วงวันแรกของสัปดาห์นี้เราก็ไปพบกับพระเพรบุญอภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโสอุดรธา น, นีนะคะกลาบมวัสการกับท่านคะ่ะเชียานค่ะวันนี้คงจะให้ท่านมาเริ่มต้นรายการสนนนีส น, นานความจริง มีข่าวใหม่เหมือนกันนะ่คะเต็มฟนซึ่งคนทั้งสถานีคนคงรู้ไปหมดแล้วหมายถึงว่าคนฟังรายการอื่นๆแต่ดิฉันเองก็มีความบกพร่องมักจะรู้ช้าอยู่เสมอที่นี่เขามีแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดฟังวิทยุฟังรายการนี้ได้ด้วยนะนะคะ mm hmm. ของคลื่นร้อยหกครอบครัวข่าวกันแล้วคะ mm ่ะ hmm. เขาใช้ว่าหน mm ึ่งศูนย์หกแฟมน เป็นชื่อของแอปพลิเคชันเลยเนาะใช่ค่ะคือเหมือนกับว่าเดี๋ยวนี้ตอนที่ดิฉันไปไปต่างประเทศเนี่ย น, นะคะ mm hmm. ก็พยายามที่จะเปิดแอปพลิเคชันที่เราได้ดาวน์โหลดเอาไว้ในส่วนของแอปพลิเคชันอื่นๆด้วยก็รู้สึกว่าเออลูกเดี๋ยวนี้มันถูกย่อมาอยู่แคบจังเลยลนั่นเลยเป็นข่าวดีสำหรับท่านทั้งหลายนะคะที่จะได้มีวิธีหนึ่งศูนย์หกแฟม เอาไว้ฟังรายการด้วยก็คงจะขอขึ้นต้นในลักษณะที่ผ่านานมานะคะคือเราจะให้ท่านฟังทั้งหลายได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมกันก่อนแล้วก็ฟังพระสูตรแล้วก็ค่อยเข้าการสนทนากาันท่านค่ะเพลินพานวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการสำรูมอินสี่แต่พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าถ้าผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในรูปผู้นั้นเท่ากับ เพลิอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในเวทนาผู้นั้นเท่ากับเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในสัญญาผู้นั้นเท่ากับเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในสังขารทั้งหลายผู้นั้นเท่ากับเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในวิญญาณ ผู้นั้นเท่ากับเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมไม่หลุดพ้นไปได้จากทุกข์ผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในตาผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในหูอยู่ในกลิ่นอยู่ในลิ้นอยู่ในกายและอยู่ในใจผู้นั้นเท่ากับเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ ผู้ใดเพลิดเพลิน อ, อยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมไม่หลุดพ้นไปได้จากทุกข์ดังนี้ภิกษุตองหลายรูปทั้งหลายอันจะพึงเห็นได้ด้วยตาอันเป็นรูปที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักอันเป็นที่เข้าไปตั้งอยู่แห่งความใคร้ เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย่อมใจมีอยู่แต่หากว่าเธอย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นใช้แก่เธอผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นอยู่นั่นแหละนันที่คือความเพลินย่อมเกิดขึ้นเมื่อความเพลินคือนันที่มีอยู่ความพอใจอย่างยิ่งคือสาราคะ ย่อมมีเมื่อความพอใจอย่างยิ่งมีอยู่ความผูกจิตติดกับอารมณ์คือสัญญุคะย่อมมีเธอผู้ใดที่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเบล่นนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองเธอผู้ที่มีการอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ แม้จะซ่องเสพเสนาสนะอันเป็นป่าและป่าชัดซึ่งเงียบสงัดมีเสียงรบกวนน้อยมีเสียงกึกก้องกรลึกโกรมนน้อยปราศจากลมจากผิวกายคนอันเป็นที่ทำการลับของมนุษย์เป็นที่สมควรกับการหลีกเลนเช่นนี้แล้วก็ตามถึงกระนั้นเธอผู้นั้นเราก็ยังคงเรียกว่าผู้มีการอยู่ยังมีเพื่อนสองอยู่นั่นเอง ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นพระเหตุว่าตัญหานี้นั่นแหละเป็นเพื่อนสองของเธอผู้นั้นตัญหานั้นถ้าเธอยังละไม่ได้แล้วพระเหตุนั้นเธอผู้นั้นเราจึงเรียกว่าผู้มีการอยู่ยังมีเพื่อนสองส่วนเธอผู้ใดที่เมื่อเห็นรูปตั้งหลาย อันเป็นรูปที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักอันเป็นที่เข้าไปตั้งอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถากว่าเธอนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบโมเมาซึ่งรูปนั้นใสแกเธอพูดที่ไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญ ไม่สยบมวเมาซึ่งรูปนั้นอยู่นันทิคือความเพลินย่อมดับเมื่อความเพลินไม่มีอยู่ความพอใจอย่างยิ่งคือสาระคะย่อมไม่มีเมื่อความพอใจอย่างยิ่งไม่มีความผูกจิตติดกับอารมณ์คือสังโยคะย่อมไม่มีเธอพูดที่ไม่มีประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั้นแหละ เราเรียกว่าผู้มีการอยู่ยังอยู่ผู้เดียวเธอผู้ที่มีการอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แม้จะอยู่ในหมู่บ้านอันเกลื่อนกล่นไปด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายด้วยพระราชามหาอมาตของพระราชาทั้งหลายด้วยเดรรตีหรือสาวกของเดรรตีทั้งหลายก็ตามถึงกระนั้นเธอผู้นั้นเราก็เรียกว่าผู้มีการอยู่ ยังอยู่ผู้เดียวโดยแท้ข้อนั้นพระเหตุว่าตันนานั่นแหละเป็นเพื่อนสองของเธอผู้นั้นตันนานั้นถ้าเธอละเสียได้แล้วเธอผู้นั้นเราก็เรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวดังนี้แหละนี่คือที่พรรูญจ้าตรัสไว้ค่ะก็ คงจะได้ปฏิบัติทำกันไปแล้วก็ฟังพระสูตรไปแล้วทีนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนที่จะเข้าไปสู่ช่วงที่สองคือเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยผู้ทวจนะนะคะท่านคะเตรอน บ, บาน